รู้แพ้รู้ชนะรู้อับอัยสามคำนี้เนี่ยคนไทยเมื่อสักหกสบกว่าปีก่อนนี่คุ้นเคยดีเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงกล่าวกีฬานะซึ่งสมัยก่อนก็เปิดให้ได้ยินกันอยู่ บ, บ่อยๆเวลาแข่งกีฬาแต่ทีนี้เพลงนี้ก็ คนไม่เคยรู้จักแล้วแต่ว่าคําว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมันก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่าถึงแม้จะน้อยลงแ ล, แล้วนี้ก็มีคนหนึ่งเขาพูดว่าเนี่ยเขาพูดทํานองปรึกษาว่าตอนนี้รู้แพ้รู้ชนะแต่ว่าอภัยให้ไม่ได้คนที่ว่านี้เขาก็ทํางานในวงการธุรกิจ ซึ่มันก็มีการแข่งขันกันสูงทั้งภายในองค์กรแล้วก็ระหว่างองค์กรก็บอกเนี่ยเส้นทางการแข่งขันเนี่ยมันก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็สุดทางเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงคือแพ้หรือชนะหรือไม่นี่ก็พอเข้าใจได้ยอมรับได้ ใช่เพราะว่าถึงแม้แพ้ก็ยอมรับได้แต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดหรือบาดแผลบนเส้นทางที่แข่งขันขนี่สิมันแห่ภายไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดนะแต่ว่าก็คงพอจะนึกภาพออกไม่ว่าจะมีการ แข่งขันกันในองค์กรหรือว่าหลององค์กรเนี่ยบางทีมันก็มีการขัดแข่งขัดข้ากันบ้างมีการต่อว่าด่าทอกันบ้างบางทีก็มีการใช้ลูกไม้กลเม็ดต่างๆชนะก็แล้วไปแต่ถ้าแพ้เนี่ก็มีบาดแผลแล้วเขาก็บอกเนี่ยไอ้บาดบาดแผลที่เกิดจากการแข่งขันแบบนี้เนี่ย หรือเกิดจากพฤติกรรมแบบนี้นี่มันให้พ่ายไม่ได้นะก็ต่อเข้าไปว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระดับบุคคลนะบุคคลต่อบุคคลเนี่ยมันไม่มีกรณีไหนนะที่ให้พ่ายไม่ได้เพราะว่าแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่านี้อย่างเช่นพ่อแม่ที่เสียลูกเพราะถูกฆ่าเนี่ยเรื่องนี้ พ่อและแม่นะที่เขาให้อภัยคนที่ฆ่าหรือคนที่เกี่ยวข้องได้นะทั้งที่มันเป็นความสูญเสียที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการแพ้แพ้ในเกมกีฬาหรือในธุรกิจสิอย่างเมื่อเร็วๆนี้แม่ของชาวพม่าที่ชื่อตะวันเนี่ยตอนที่เข้ามางานศพของลูกที่ เสชีวิตเพราะว่าเด็กชายอายุ14ไปกราดยิงที่สยามพารากอนเนี่ยแม่นีมาจากพ่อมามงางานศพของลูกวันนั้นพ่อของผู้ร้ายที่เราจะเรียกว่าฆาตกรเนี่ยก็มาขอเข้ามามาก้มกราดขอโทษแม่งต ว, วันต ว, วัยก็พยายามดึงชุดชายวันนี้ให้ลูกขึ้นมา คือไม่ต้องถึงก้มกราบเนะเพราะว่าตัวผู้เป็นแม่นี่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นพ่อของเด็กที่ฆ่าลูกสาวของเธอเลยเธอก็บอกว่าเนืรู้สึกเสียใจแทนพ่อของเด็กชายคนนั้นเพราะว่าคงจะเสียใจ มากกว่าเธอเนี่ยอย่างเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าเสียใจยที่ลูกเนี่ยไปก่อกรรมทําเข็นกับคนมากมายแล้วก็ต้องมีคดีความที่จะต้องอจัดการมีเรื่องฟ้องร้องมากมายอนาคตของลูกจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้คนที่เป็นพ่อมันก็ยอมมีความทุกข์ ยังไม่นับว่าเนี่ยให้ลูกเนี่ยใช้ใช้ชีวชิตต่อไปยังไงเนี่ยสำหรับเวลาที่ิเหลือจะมีอนาคตแค่ไหนเนี่ยพ่อแม่ของตะวันเนี่ยคิดแบบนี้แล้วก็สึกเสียใจแทนคนที่เป็นพ่อของเด็กคนนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้แมงตะวันเข้าไม่ได้ โกรธแค้นพ่อของเด็ดที่ฆ่าลูกสาวของเขาก็เคยเล่าไปแล้วนะเมื่อสีหปีก่อนนี้ก็มีชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยไปต้องรกรากที่อเมริกาเป็นครูสอนศาสนาอิสลามบอกว่าเสียลูกชายไปรูกเพิ่งอายุยี่สิบ ลูกตายเพราะว่าทำงานดึกไปส่งพิซซ่าแล้วก็ขากลับก็ถูกผู้ร้ายชิงทรัพย์แล้วฆ่าพาผู้เป็นพ่อนี่พอรู้ข่าวนี้ก็ก็มันก็ใจสลายเลยนะแต่ว่าในวันที่ ศารเนี่ยพิพ า, า, า, ากษาขจัดกองและผู้สวมรวบรวมคิดเนี่ยพ่อของพุทตายเนี่ยคือคุณสมบัติเนี่ยซึ่งเป็นหมอซึ่งเป็นครูสอนไซส์สลามก็ประกาศกลางสารเลยนะว่าเนี่ยว่าตัวเนี่ยโกรธมาที่ชักชวนให้ จำเลยเนี่ยฆ่าลูกของตัวแต่ว่าผมไม่โทษผมไม่โกรธคนที่เป็นจำเลยเลยนะผมให้อภัยคุณผมไม่พูดพูดกับคนที่เป็นจำเลยจึงสารตัดสินนะลงโทษข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆ่าคนตายนี่ก็ชื่อสารหุดดิน พูนพ่อเนี่ยประกาศกลางศาลวให้อภัยฆาตกรแล้วให้ผลว่าเนี่ยก่อนขึ้นก่อนวันที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยฟังคำตัดสินเนี่ยผู้เป็นพ่อกับลูกอีกสี่คนเนี่ยก็มานั่งคุยว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะให้สิ่งเลวร้วายที่เกิดกับสลาพุ ด, ดินเนี่ยพูตายเนี่ยแทนที่มันจะเป็นผลรบ แต่ว่าเกิดผลบวชขึ้นแทนที่ทำยังไงจะให้สิ่งที่เรายล่ที่เกิดขึ้นซาลุ ด, ดินเนี่ยมันเกิดผลในทางบวกแทนที่จะเกิดผลในทางลบก็เลยตกลงกันว่าเนี่ยเราให้อภัยคนที่ฆ่าซาลุ ด, ดินซะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เขา สูญเสียคนรักเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะให้อภัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากการแข่งขันกันในทางธุรกิจหรือว่าในระหว่างการทํางานเนี่ยมันย่อมอยู่ในวิสัยที่จะให้อภัยได้เพราะคนที่เขาปวดเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นเขาก็ยังให้อภัยได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก้คราวนี้เนี่ยก็แนะนำเขาต่อไปนะว่าเนี่ยการให้อภัยเนี่ยนะมันไม่ได้ดีกับคนที่เขาทำ้ทำายเรานะหรือการแก้งเรามันดีกับตัวเราเองเพราะมันช่วยดับความรุ่มร้อนในใจช่วยดับเพลิงพยาบาท บาดแผลที่มันเกิดจากความโกรธเนี่ยมันไม่สามารถจะเยียวยาได้ได้วยการแก้แค้นหรือด้วยการสมเพลิงความโกรธเอาไว้ในใจให้มันนานๆ <c oughs> บาดแผลแบบนี้มันต้องต้องเยียวยานะแล้วคนที่รักตัวเองเนี่ยก็ต้องรู้จักเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้น ไม่วจะเป็นบาดแผลทางกายบาดแผลทางใจจะเป็นบาดแผลทางใจที่เกิดความโกรธยาที่ดีสุดคือการให้อภัยนะยาการให้ภัยในเป็นยาสมานประจําใจที่ประเสริฐมากมียาสมานประจําบ่าแล้วถ้าไม่มียาสมานประจําใจนี่มันก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะความโกรธมันก็จะเผาผลาญใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนปวด เป็นโรคความดันสารพัดมีพู้นคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นโรคปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันสูงไปหาหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้มากได้แต่ยามากินหมอยก็แปลกใจนะเพราะว่า ร่างกายเขก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทําไมปวดเพรปวดท้องปวดท้องเรื้อรังความดันสูงเป็นประจําวันหนึ่งหมอก็เลยถามคนไข้ว่าไหนไหนคุณช่วยเราปอ้อนคุณให้ฟังนะเธอก็เล่านะาาเธอเธอเนี่ยเป็นเด็กกําพร้าอยู่ในความดูแลของพี่สาว2คนแต่เวลาเธอพูดถึงพี่สาว เ, เธอก็มีอาการเลยนะ มีคมีทั้งความโกรธทั้งความเกลียดเพราะว่าพี่สาวนี่ใช้อำนาจกับเธอแล้วก็อาจจะคมขูคุกคามเธออยู่ บ, บ่อยๆจนกทั้งเธอโตยังอายุ20กว่าก็ยังก็ยังโดนพี่สาวทำร้ายจิตใจ พอหมอได้ฟังเรื่องราวของปีงนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแนะนำคุณอย่างหนึ่งนะให้ไปพิสาจคกุณสซะเธอไม่พอใจหมอในกะาที่หมอจะให้ยากลับมาบอยเธอทำนั่นทำนี่เธอก็หมดศรัทธาในตัวหมอแล้วก็ไม่หามหมอเลยจนต้องผ่านไปปีหนึ่ง หมอก็ได้รับจดหมายนะสมัยก่อนมันไม่มีอีเมลแนตะ่หมายที่มาจากคนไข้คนนั้นแหละเธอบอกว่าตอนนี้หายแล้วไอ้โรคที่เป็นเรื้อรังเนี่ยปวดหัวปวดท้องความดันสูงเนี่ยเพราะว่าทาตามที่หมอแนะนำคือให้ภัยพีสาวการให้ภายนี่มันไม่ได้ดีใครมาดีกว่าเราเนะ ถ้าเราอยากให้อภัยเนี่ยไอ้ความทุกข์กายทุกข์ใจมันก็จะบรรเทาเบาบางไปยังแน่ก็ต่อไปนะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะขอบคุณคนที่ทำให้เราเจ็บปวดนะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกเห็นใจนะ คนที่เขาเคยเจ็บปวดเพราะการกระทําของเราพราะคนเราเนี่ยมันบางครั้งก็ย่อมเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเจ็บปวดโกรธแค้นโดยพในทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทับแคนเพราะเขากลายเป็นฝ่ายพรแพ้ ไอเราเป็นผู้ชนะเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้ตระหนักว่าเนี่ยเราได้ทำความเจ็บปวดให้กับใครบ้างแต่พอเราเป็นผู้แพ้แล้วก็มีบาทแพ้เองเราก็ได้เข้าใจคนที่เราเคยทำให้เขาเจ็บปวดซึ่งเคยทำให้เราเนี่ย มีความอ่อนโยนมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาพ่ายแพนะ้หรือว่าคนที่ทูกเพราะเหตุอื่นนะจากการถูกทำร้ายคือนะมันก็เป็นผลดีกับเราเองทำให้เราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น จริงๆก็บอกเขาตอไปเลยนะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเคยทําให้คนอื่นเขาเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวจากการกระทําของเราและถ้าเราอยากให้เขาให้อาภัยเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้าภัยคนอื่นที่ก็ทําให้เราเจ็บปวดตอน ันถ้าวันนี้เราไม่รู้จักให้อภัยคนที่เราคนที่ข้อทําความเจ็บปวดให้กับเราวันหน้าเราสร้างความเจ็บปวดให้กับใครเราจะคาดหวังให้เขาให้อภัยเราได้อย่างไรจริจะไม่ช่องไม่ต้องวันหน้าหรอกนะก่อนในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาเพราะการแข่งขัน เพรการเชื่อเชื่ของเราถ้าเราอยากให้อภัยถ้าเราอยากให้าให้ภัยเราเราก็ต้องรู้จักให้เป็นฝ่ายให้ภัยสักคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับไปพิจารณาหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเรารู้จักให้อภัยเนี่ยมันดีกับเราเองนะ และสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรผู้ฝ่ายธรรมเนะี่ยมันก็เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ ด, ด้วยนะว่าเรานะรู้จักให้อภัยเรารู้จักมีจิตใจที่รู้จักปล่อยวิ้ักวางบ้างหรือเปล่าที่จริงแนมะ้จะไม่ใช่ผู้ฝ่ายธรรมนะแต่การให้อภัยคนอื่นก็สําคัญเพราะต่อไป เราต้องรู้จักให้ภัยตัวเองการให้ภัยตัวเองก็สำคัญนะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่เคยทำผิดพลาดหรืออดีตเราจะไม่เคยทำผิดพลาดที่รุนแรงต่อไปเราอาจจะทำความผิดพลาดที่รุนแรงอาจจะทำกับผู้มีพระคุณอุปการีหรือทำกับลูกถึงตอนนั้นถ้าเราไม่รู้จักให้ภัยตัวนี้มันก็แย่นะ บางครั้งาจะเกิดความผิดพลาดในทางธุรกิจในการในทางการงานทำให้เกิดความเสียหายมากมายหลายคนก็จะแค้นตัวเองโกรธตัวเองมากเลยว่าไม่น่าเลยไอเขาไม่น่าเลยเนี่ยมันจะคอยมารบกวนจิตใจเราก็เป็นธรรมดานคนเราต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะว่าไม่น่าเลยโกรธแค้นตัวเองในความผิดพลาดที่ได้ทำแต่ททาไมอยากให้อภัยตัวเองนี่มันก็ไปต่อไม่ได้นะ เช่นเดียวกันการไ ม, ไม่รู้จักให้อภัยคนอมันก็ทำให้เราไปต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็จะฝังใจคับแค้นแต่อาจจะไม่หนักหนาเท่ากับการที่เราให้อภัยตัวเองไม่ได้บางทีเพียงแค่ล้มป่วยนะหลายคนก็โมโหตัวเองแค้นใจที่ว่าไม่รู้จักดูแลสุขภาพพนเราเวลาป่วยนะมันมันก็อดโกรธ หรือโทษโนอนโทษนี้ไม่ได้นะและบางครั้งก็พอโทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองฉันไม่น่าเลยนะไม่น่าสูบบุหรี่ไม่น่ากินเหล้าไม่น่ากินตามใจปากไม่น่าทํางานหนักจนกระทั่งร่างกายมันเสื่อมสุดไอการที่โกรธตัวเองเนี่ยคับแค้นใจตัวเองมันทําร้ายทั้งร่างกายจิตใจเรามาก ถึงตอนนั้นแหละนะการให้อาภายัยตัวเองสำคัญมากเลยนะเพราะถ้าอาภัยถึงไม่ได้มันก็แย่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่เราทำไม่ดีกับบุปการีให้เวลาท่านไม่พอและเลยท่านจนนั่งท่านล้มหายตายจากไปก็มาเสียใจแค้นใจตัวเองมันไม่น่าพูดกับท่านอย่างโน้นวันนั้นเลย คนแคบไปจนตายนะนี่นพราะไม่เรียนรู้จักการให้อาภัยตัวเองเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักให้อาภัยคนอื่นนะวันข้างหน้าเราก็จะไม่สามารถให้อาภัยตัวเองได้แล้วถึงตอนนั้นก็จะไอความคัคบแคบจะทำร้ายเรานอกจากจะอยู่ไม่สุขแล้วอยู่ร้อนนอนทุกข์แล้วถึงเวลาตายก็อาจจะตายไม่ดีได้ซ้า เรื่องการ จ, จัดการความโกรธนี่เป็นเรื่องสําคัญนะที่เราต้องเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การตระหนักถึงโทษของมันด้วยว่าถ้าเราปล่อยความโกรธของใจเนี่ยมันทําร้ายเราอย่างไรต้องเห็นโทษไม่ใช่อคอยหวงแหนความโกรธบางคนที่หวงแหนความโกรธนะจึงไม่ยอมให้อภัยนะพยายามปลูกเราให้ใจมีความโกรธอยู่เรื่อยๆเตือนใจให้ นึกถึงความเลวความไม่ดีของคนคนนี้เพิ่อมันจะได้โกรธไปเรื่อยๆถึงเวลามีคนแนะนําว่าให้อภัยก็ไปเถอะก็โกรธคนที่แนะนำไอ้ตัวที่ชักใจให้เราโกรธคนแนะนําเราให้อภัยเนี่ยมันก็คือความโกรธนี่แหละเพราะความโกรธนี่มันก็อยากจะกลองจิตคลองใจเรานานๆ แล้วทำให้เราไม่เห็นโทษของความโกรธแต่ถ้าเาเห็นโทษมันนะเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรีดจัดการใครทำร้ายเราก็ทำร้ายได้แต่ร่างกายหรือทำร้ายทรัพย์สินนะแต่ทำร้ายจิตใจเราไม่ได้แต่ถ้าปล่อยความโกรธคลองใจเมื่อไหร่เนี่ยน่าเรากลังทำร้ายตัวเองมีพระธิดท่านหนึ่งนะ ตอนที่กองทัพจีนเนี่ยไปบุกยึดที่เบตเมื่อ60ปี70ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ถูกจับกลุ่มนะเพราะว่าท่านไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ให้ละทิ้งศาสนาสอนให้ประชาชนนิยมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ระดับริงโปเชก็ถูก จ, จับกลุ่มคุมขัง แล้วถูกทรมานเนี่ยนานถึงปีนะต่อหลังรัฐบาลเห็นว่าท่านไม่มีพิษไม่มีภัยก็เลยปล่อ ย, ยท่านก็เลยรีบไยมาอินเดียอินเดียเนี่ยรามะอยู่ที่เมืองธรรมศาลาพอรวดหรือพรเชท่านนี้ท่านลาเซนะรีบไยมาที่ธรรมศาลาท่านก็ดีใจเข้าไป เข้าไปหาไปเยี่ยมท่านลาเซสนทนากันมีประโยชน์หนึ่งทารุมัตถามว่าในในช่วงที่ท่านถูกจับกลุมคุมขังเนี่ยช่วงไหนที่ท่ารู้สึกมันแย่ที่สุดแทนที่ให้บอกเป็นช่วงช่วงที่ท่านถูกทรมานเนี่ยท่านไม่ได้ตอบอย่างก็เลยท่าบอกว่าช่วงที่ท่านรู้สึกแย่สุดช่วงที่ท่านมีความโกรธเกลียดคนที่ประทุษสลายท่าน ว่เป็นคําตอบที่ไม่คาดคิดนะทำไมท่านหึงตอบอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลก็คือว่าคนที่ทําร้ายท่านเนี่ยก็ทําร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ทําร้ายจิตใจท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านโกรธเข้าเมื่อไหร่เนี่ยก็เท่ากับว่ า, วาการทำร้ายจิตใจเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้ว อันนี้เป็นความเป็นความลุ่มลึกนะทางจิตบิญญาของท่านนะที่ท่านเห็นว่าไม่มีใครทำร้ายจิตใจเราให้ทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองคนหนึ่งก็ทาร้ายแค่ร่างกายหรือทำร้ายทรัพย์สินของเราแต่ถ้าเราโกรธเมื่อไรหรือปล่อยความโกรธของใจเมื่อไรเนี่ยเรากำลังทำร้ายตัวเองคือทำร้ายจิตใจนอกจากนั้นเนี่ยพอมีความโกรธแล้วก็คิดถึงเรื่องการ ตอบโตการทำล้ายหรือแก้แค้นซึ่งก็ชักนําให้ท่านเนี่ยผิดศีลง่ายแล้วพอเราถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยมันคือการสร้างทุกสร้างวิบากให้กับตัวเองก็ทำร้ายเราไม่เท่าไหร่แต่พอเราไปทำร้ายเขาเนี่ยเรากาลังผิดศีลเรากําลังสร้างวิบากสร้างกรรมซึ่งก็ก็คือการหาทุกมาใส่ตัวเพิ่มพูนขึ้นอีก ท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยไอ้ช่วงที่ยายสูงท่านก็คือตอนที่ท่านมีความโกรธความเกลียดจริงๆนั่นก็เป็นงั้นนะใครทำอะไรกับเราเนี่ยเขาก็ทำได้แต่ภายนอกนะแต่ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธมันคลองใจเมื่อไหรเนี่ยอันนี้แหละคือเรากำลังทำร้ายตัวเองอาจารย์แจ็คสโล่ันพูดดีท่านบอกว่าเนี่ย ไม่มีใครหรืออะไรเนี่ยที่จะมาทําให้เราเป็นทุกข์ได้เขามีแต่ชวนหรือชักชวนหรือที่ว่าเราจะรับคําชวนหรือเปล่าถ้าเรารับคําชวนเราก็ทุกข์แล้วเราจะโทษใครนะคนเชิญคนชวนเราปฏิเสธก็ได้ คือผู้หาดนึกว่ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อใจเราไปร่วมมือกับเขานั่นถือว่าใจเราไม่ไปร่วมมือเนี่ยไอ้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เฉพาะภายนอกนะกับร่างกายกับจิตใจกับร่างกายกับทรัพย์สินนั่นถือว่าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะว่าความทุกข์ไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นมันเป็นภยัยต่อตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะ จัดการกับความโกรธและวิธีจัดการความโกรธเนี่ยมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสติรู้ทันจะผักใสกดข่มมันก็ไม่ได้นะมันก็หลบมันก็ซ่อนมันก็กลายเป็นเก็บกดต้องรู้ทันนะเห็นมันแล้วก็แค่ดูมันเฉยเฉยดูมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปท่านติณฑาธรรนิท่านหนึ่งกับใช้คําว่า ให้ทำยิง่านั้นนะั่นคือโอบกอดนะให้โอบกอดความโกรธโอบกรอดด้วยสติโอบกอดด้วยความอ่อนโยนท่านเปลี่ยนมันกว่าเนี่ยแม่เนี่ยกำลังทำงานอยู่ดีดๆเนี่ยทารกลูกน้อยเกิดร้องไห้ขึ้นมาแม่รีบทิ้งงานต่างๆแลวนะเพื่อมากอดทารกน้อยอย่างอ่อนโยน ทาาบอกว่าเนี่ยไอ้ทารกน้อยเนี่ยความโกรธนี่ก็เปลี่ยนก็นทารกน้อยที่เราไม่ว่ามีอะไรเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นก็ต้องโอบ ก, กอดมันด้วยความอ่อนโยนโอ้ท่านพูดถึงขนาดนี้เลยนะแต่ที่จริงเนี่ยแม้เพียงแค่เห็นมันเฉยๆรู้ทันมันมันก็เหมือนกองเพลิงที่พอไม่มีใครเติมฟืนเติมไฟให้มันมันก็ดับเอง ตรงค้ามจะไปกดข่มมันไปผักสายมันนะไปพยายามตัดพยายามห้ามมันมันก็ยิ่งยิ่งลุกยิ่งกลายเป็นการต่ออายุอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะถ้าเราไม่ใช้การให้อภยัยหรือการแผ่เมตตาก็ต้องมีสติที่จะรู้ทันความโกรธแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันหรือยอมให้มันคลองใจหรือหวงแหน ม, มันเอาไว้ในใจ